สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่3 6 0 <อ>เรื่องบาปที่ยกให้ไม่ได้พระเจ้าของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สองพระธรรมลูกาบทที่สิบสอข้อที่8จนถึงข้อที่สิบโปรดฟังพระจนะของพระเจ้าและเราบอกท่านทั้งหลายว่าทุกคนที่จะรับเราต่อหน้ามนุษย์ บุตรมนุษย์ก็จะรับผู้นั้นต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าแต่ผู้ใดจะไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์เราก็จะไม่ยอมรับผู้นั้นต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าผู้ใดจะกล่าวร้ายบุตรมนุษย์จะทรงโปรดยกโทษให้ผู้นั้นได้แต่ถ้าผู้ใดกล่าวหมิ่นประมาทต enfin <t Ay sea astic> ่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดยกโทษให้ผู้นั้นไม่ได้เมื่อเขาพาพวกท่านเข้าในธรรมศาลา หรือต่อหน้าเจ้าเมืองและผู้ที่มีอำนาจอยากรณนกระวายว่าจะตอบอย่างไรหรือจะกล่าวอย่างไรเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดสอนท่านในเวลาโมงนั้นเองว่าควรจะพูดอย่างไรพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องบาปครับบาปนั้นมีอยู่สองประเภทบาปที่ยกโทษหรือขอรับการอภัยโทษ ได้และอีกบาปหนึ่งอีกประเภทหนึ่งก็คือบาปที่ยกให้ไม่ได้เราจะดูกันครับว่าบาปที่ยกให้ไม่ได้นั้นมันคืออะไรกันพี่น้องครับหากเราดูในข้อที่สิบพระเยซูตรัสเองนะครับว่าผู้ใดจะกล่าวร้ายบุตรมนุษย์นั่นหมายถึงตัวของพระองค์เองก็จะทรงโปรดยกโทษให้ผู้นั้นได้หมายความว่าอะไรก็ตามที่ทำกับบุตรมนุษย์หรือพระเยซูนั้น ทรงโปรดยกโทษให้ได้แต่ถ้าผู้ใดจะกล่าวหมิ่นประมาท ต, ต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดยกโทษให้ผู้นั้นไม่ได้แท้จริงแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์กับพระเยซูหรือบุตรมนุษย์ก็เป็นเหมือนกันนะครับก็คือบุตรมนุษย์นั้นก็หมายถึงพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นพระเจ้าเช่นเดียวกันพระเยซูก็ทรงเป็นพระเจ้าเหมือนกัน เพราะฉะนั้นหากใครที่มิ่นประมาทพระเ ย, ยซูก็เท่ากับมิ่นประมาทพระเจ้าหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่พี่น้องครับที่นี่หากว่าเราได้สังเกตให้ละเอียดถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้นเราจะรู้ว่าพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์กับพระราชกิจของบุตรมนุษย์นั้นแตกต่างกันพระราชกิจของบุตรมนุษย์นั้นก็มีหน้าที่สั่งสอนนะครับมีหน้าที่ที่จะประกาศพระกติคุณนะ คนที่กล่าวร้ายพระเยซูซึ่งเป็นพระเจ้าหรือคนที่พูดถึงพระเยซูในทางที่ไม่ดีนะครับไม่เป็นไรเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเยซูนั้นเป็นบุตรมนุษย์บุตรมนุษย์หมายความว่าในพระองค์นั้นมีตัวตนนะครับจับต้องได้ได้ยินเสียงได้นั่นคือในสมัยที่พระเยซูเองนั้นเสฉ็จลงมาในโลกนี้นะครับแต่หลังจากนั้นครับเมื่อพระเยซูเสฉ็จขึ้นไป ประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาเจ้านั่นเองก็คือยุคของพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์พระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์กระทาอะไรครับหน้าที่หลักของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือทําให้คนกลับใจครับหน้าที่หลักของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือทําให้คนกลับใจพี่น้องที่ไม่ได้มาจากครอบครัวคริสเตียนท่านคงจะทราบถึงประสบการณ์ที่หนักหน่วงเวลาที่ท่านกําลังจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ตอนรับพระเยซูดีหรือไม่ตอนรับพระเยซูดีกำลังเกิดการดึงกันระหว่างความดีกับความไม่ดีหรือการตัดสินใจกับการไม่ตัดสินใจการที่จะเลือกเอาพระเจ้าหรือการที่จะเลือกไม่มีพระเจ้าไม่เอาพระเจ้าการที่จะเลือกให้เป็นลูกของพระองค์ลูกของพระเจ้าหรือจะเลือกเป็นลูกของมารดาตานการที่จะตัดสินใจทาอะไรบางสิ่งบางอย่างและรู้ว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างรออยู่ เบื้องหน้าที่อาจจะยังไม่ชัดเจนนักแต่ด้วยการดนใจกันเร่งเร้านะครับของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองทําให้พวกเราซึ่งหลายหลาคนมาจากครอบครัวไม่เป็นคริสเตียนก็ตัดสินใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ไม่ตัดสินใจครับใครก็ตามที่พูดว่าเฮ้ยไม่จริงใครก็ตามที่พูดว่าพระเยซูหรือ ความรอดต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องโกหกปฏิเสธครับปฏิเสธการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกเขาก็ไปไม่ถึงความรอดเพราะฉะนั้นบาปต่างๆที่เขาเคยทํามาก็ยกให้ไม่ได้และรวมทั้งบาปของการหมินประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายความว่าไม่เอาพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับ เมื่อไม่เอาพระวิญญาณบริสุทธิ์โอกาสที่ทางรอดเขาก็จะไม่มีความบาปนั้นก็จะโปรดยกให้ไม่ได้นี่คือคําอธิบายนะครับในเรื่องนี้ที่น่าจะมีเหตุผลที่สุดแท้จริงแล้วมีคําอธิบายนะครับหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับคําว่ามีนประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ผมเห็นว่าคําอธิบายอย่างนี้แหละครับเป็นคําอธิบายที่สามารถที่จะให้เราเข้าใจว่า คนที่ไม่ได้รับการยกโทษนั้นก็คือคนที่ยังไม่ได้เชื่อพระเยซูครับคนที่ยังไม่ได้เชื่อพระเยซูนั้นก็หมายความว่าเขาก็ยังไม่บังเกิดใหม่ครับคนที่ยังไม่บังเกิดใหม่นั้นก็หมายความว่าเขาไม่มีชีวิตใหม่ครับและคนที่ไม่มีชีวิตใหม่นั้นก็หมายความว่าเขาไม่มีชีวิตนิรันดร์เขาเข้าแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้บาปของเขาไม่ได้รับการยกโทษพี่น้องครับในข้อที่1112 ได้พูดต่อไปว่าเมื่อเขาพาพวกท่านเข้าไปในธรรมศาลาหรือต่อหน้าเจ้าเมืองและผู้ที่มีอำนาจอย่ากระวนกระวายจะตอบอย่างไรหรือจะกล่าวอย่างไรนะครับที่นี่ก็จะ ย, ย้อนขึ้นไปถึงข้อที่แปครับว่าทุกคนที่รับเราต่อหน้ามนุษย์บุตรมนุษย์ก็จะรับผู้นั้นต่อหน้าเหาทูตสวรรค์นั่นหมายความว่าการรับเชื่อการรับสารภาพการต้อนรับพระเยซูเมื่อต้อนรับพระเยซูนะครับพระเยซูก็จะรับผู้นั้น ต่อหน้าเหล่าทุตสวรนั่นหมายความว่าการันตีครับการันตีถึงชีวิตนิรันดร์ของคนที่รับพระเยซูนะครับรับพระเยซูนี้ก็มีความหมายหลายอย่างครับรับพระเยซูมีความหมายว่ารับสารภาพนะครับรับสารภาพขั้นตอนของความรอดนั้นก็คือต้องสารภาพบาปนะครับกับใจใหม่ครับแล้วก็ขอการยกบาปนะครับ เสียใจสารภาพบาปกับใจใหม่ขอการอาภัยนี่คือขั้นตอนที่จะนําไปถึงความรอดพี่น้องครับตรงนี้เองทำให้เรารู้ว่าเมื่อเรารับพระเยซูต่อหน้ามนุษย์บางครั้งคนที่รับพระเยซูอย่างนั้นก็จะต้องถูกข่มเหงครับบางครั้งจะต้องถูกจับในข้อ11บอกว่าบางทีจะต้องถูกจับเข้าไปในธรรมศาลา บางทีจะต้องถูกอับไปหีออกจากธรรมศาลาเหมือนกับคนตาบอดนะครับหรือบางทีเราก็อาจจะกระวนกระวายว่าจะตอบอย่างไรเมื่อยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าเมืองและผู้ที่มีอำนาจซึ่งเขาต้องการหาเรื่องเรานะครับและนํามาซึ่งการข่มเหงในที่ฉุดพี่น้องครับพระเยซูได้ให้แนวทางการปฏิบัตินะครับว่าอย่ากระวนกระวายพระเยซูให้กําลังใจเราครับอย่ากระวนกระวายว่าจะตอบอย่างไร หรือจะกล่าวอย่างไรเพราะอะไรครับเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดสอนท่านในเวลาโมงนั้นเองว่าควรจะพูดอย่างไรเรื่องครับเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในบรรดาอัครส า, าวกอัครทูตทั้งหลายที่ออกไปประกาศข่าวรเริฐของพระเจ้าหลายหลายครั้งถูกจับถูกข่มเหงถูกซักไซ้ไล่เลียงนะครับคนเหล่านี้แม้ว่าในใจลึกๆนะครับอาจจะหวาดหวั่นอยู่บ้าง แต่ว่าพระเยซูก็สอนเขาครับสอนเขาและสอนพวกเราด้วยว่าถึงเวลาแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลกระวายว่าจะตอบอย่างไรหรือจะกล่าวอย่างไรพี่น้องครับความกังวลกัะวายจะพูดต่อในวันพรุ่งนี้ครับว่าความกังวลกระวายที่พระเยซูกาลังเป็นห่วงสาวกนะครับจะเป็นความกังวลกระวายในเรื่องการถูกจับหรือการกังวลกระวายในเรื่องการรับพระเยซูต่อหน้ามนุษย์นะครับยังมีความกังวลกระวาย <c oughs> บางสิ่งบางอย่างนอกเหนือจากนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมั่นใจในการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะมีประสบการณ์การนำการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราหากว่าเราวางชีวิตของเราไว้อยู่ในพระหัตถ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์วางชีวิตของเราไว้อยู่ในพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า และพระวิญญาณก็จะทรงเคลื่อนชีวิตของเราไปตามนามไธยของพระองค์อเมน